สนใจหรือเปล่าเนี่ยคือถูกเขาบังคับมาหรือเปล่าต้องถามความสมัครใจนะธรรมะนี่ยบังคับกันไม่ได้บางบ้านบอกพาเด็กมาบอกให้ช่วยเกรียกร้องให้สนใจเรียกล่อมไม่ได้หรอกนะถ้าสนใจถึงจะเรียนได้ขนาดสนใจอย่างเรียนยากเลยยากมากเป็นศาสตร์ที่เรียนยาก <c oughs> แต่ถ้าเราไม่คิดว่า เราต้องฟังชั่วโมงหนึ่งเราเข้าใจแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องกังวลมากอย่างเราจะเรียนวิชาอื่นๆแม่เรียนรัฐศาสตร์เรียนสี่ปีแต่ก่อนจะเรียนสี่ปีนั้นเข <c oughs> เรียนถึงสิบกว่าปีนะาศาสตร์ <c oughs> ทางโรโลกๆเรียนหลายปีาศาสตร์ทางจิตใจก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าใช้ไม่เยอะ บางคนเรียนเจ็ดวันบางคนเรียนเจ็ดเดือนะอย่างช้าเจ็ดปีเท่ากับเรียนถึงด็อกเตอร์ใ้เวลาเราเรียนเนระื่องตัวเราเองเราอยากรู้ศานะสนาคุณตอบคำถาม เ, เรื่องเดียวนะทายัางไงจะไม่ทุกทุกทางใจทุกทางกายอยู่ข้าวก็ไปหาข้าวกินไม่สบายก็ไปหาหมอ ส, สนาพุทธสนั้นทุกทางใจทำยังไงจะไม่ทุกข์พระพุทธเจาบอกความทุกข์เกิดจากการที่ใจเราดิ้นรนมีความอยากาอยากพูดง่ายๆก็คืออยกจะมีความสุขอยากจะมีความทุกข์ <c oughs> อยากได้บางอย่างอยากหนีจากบางอย่างความอยากนียทำให้จิตใจดิ้นรนอยากได้แล้วไม่ได้กุ้งใจเจอของที่ไม่ชอบ อยากให้หายเร็วๆอยากให้มันไปเร็วๆเจอคนที่เราเกลียดอยากให้มันกลับไปเร็วๆไม่กลับรุ่มใจเนี่ยความอยากอยากได้สิ่งที่ดีอยากพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีาทาให้จิตใจทุรนทุราย <c oughs> ถ้าเราสามารถคอยเฝ้าสเกตใจเราได้ ใจเราเราจะพบว่าใจเราที่มันยากแนละ้วมันจะดิ้นรนไ ป, นะไปยึด ท, รทารมณทั้งหลายเนี่ยมันดิ้นรนไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกาใจฟังฟังยากนิดหนึ่นะ <c oughs> เวลาเราเห็นคนเดินมาเนี่ยในสังเกตไหมเราเวลาเราดูเขาเนี่ยเราเห็นแต่เขาเราลืมตัวเราเองนะอย่างนั้นเ ร, เรียกว่าขาดสติเป็นตะังเตงไหมตังเตันนะเต่นก็คื <c oughs> เคยรู้สึกง้งืตัวเ า, าเองไหลุดโลกเลยัง้วคสนุกยังก็เรียกขาดสตินั่งคิดคิดคิดคิดไปแล้วก็เพลิ<ๆ>นยไหมแใจแล้วก็คิดคิดไปเรืนะ่อยๆหลงไปในโลกของความคิดนี่เขเรียกว่าขาดสติเหมือนกัน ศาสนาผู้สอนเราบอกว่าถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเราต้องมีสติถ้าเราขาดสติเราก็ไม่ได้เรียนเรื่องของตัวเราเองรู้แต่เรื่องอื่นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำให้รู้สึกตัวบ่อยๆอย่าเผลอยาวทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองได้เด็กตอนนี้นั่งคิดรู้ไหมเห็นไหมไม่ยากหรอกใครๆก็ดูได้ กางคนไปคิดว่าการปฏิบัตินะี่ยากยากทําอะไรก็ไม่รู้หลับหูหลับตาเนยะเดินย่องย่องเป็นนกพยางทําในลุ่งยากมากเลยทาลําบากที่เขาคอยรู้ทันใจเราแมแ่มันหนีไปทางไหนคอรู้ทันมันอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้หมเคยเห็นไหมฆ่าแล้วทีแรกไม่รู้ฆ่าไม่รู้แนะต่อันนี้เริ่มฆ่าแล้วกิดข้าวเข้าไปแล้วเริ่มมีแรงอะ <c oughs> เนี่ยเราคอยเฝ้าดูเฝ้าดูตัวเองไปใจเราชอบหนีเวลาหนีไปเนี่ยมันจะหนีไปคิดครับแล้วก็จะไปฝันเอาไปจินตนาการไปอยากหลงๆแลงๆนะอย่างสมมติว่าอากาศร้อนหนีไปคิดร้อนจังเลยกุ้มใจอยากให้ฝนตกฝนไม่ตกยิ่งหงุดหงิดเลแม่มเป็นแม่เออนะอ่านดูอย่างเงี้ยเราเป็นคนขี้โมโห ก, ก, ก็ต้องรู้จันมัน ใครรู้ไหมม <c oughs> ีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยแต่านี้พอรู้เรื่องไหมแต่ตอนแรกนี่นะฟังหงพ่อบอกให้ฝึอกอย่างนี้ก็จะทำง่ายแต่สักพักหนึ่งจะเริ่มยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มคิดมากฝึอกอย่างนี้แล้วจะได้อะไรนั้นมันจะได้อะไรมันจะดีจริงเรเปล่าเริ่มคิดมาก หลวงพ่อท้าให้ลองพิสูจน์ลองรู้สึกตัวดูสัสช่วงหนึ่งนะเดือนสองเดืรู้สึกไปยังไม่ต้องคิดว่ารู้สึกเราจะได้อะไรกลารับคำท้าไหมรับน ะ, ะ น, นเลงจริงคุณต้องอย่างนี้ประเภทก้ารับคํำท้าไหมขอกลับบ้านไปคิดดูก่อนในอย่างนี้ไม่เอาไหนฮะศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ท้าให้พิสูจน์ ทำว่าเอไอปัสิโกแมาว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูไหมล่ะมาลองดูเถอะถ้าให้พิสูจน์ล้วจะเห็นคนด้วยตัวเองความทุกข์ทั้งหลายแหล่กิเลสทั้งหลายแหลเนี่ยมันเกิดตอนที่เราเผลอเถ้าเราไม่เผลอเรารู้สึกตัวอยู่กิเลส จ, จะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์จะครอบงําเราไม่ได้เลยถ้าเรารู้สึกตัวไว้ความทุกข์มันเป็นนักเลงไม่จริงอ่ มันเล่นทีเผลอเห็นไหมเผลอแล้วพอเผลอเราก็จะถูกมันลากไปเรื่อยๆตกเป็นธาตของความคิดมันลากไปเรื่อยๆเล่นเราทีเผลอหถ้าไม่เผลอซะอย่าง ก, กิเลสมาไม่ได้กิเลสมาไม่ได้เราก็เป็นฟองตัวเองไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่ถูกเบี่ยงซ้ายเหบี่ยงขวาไม่ต้องถูกตกอยู่ใต้ความดีใจจะเสียใจ เป็นตัวของตัวเองได้เรื่อแค่นี้นะเราไปนี้นั่งฟังคนอื่นเราอยากคิดมากนั่งคอยดูมันหนีไปทางตาก็รู้ห น, นีไปทางหูก็รู้ห น, นีไปทางความคิดที่นน ท, าานนทางใจก็คอยดูไว้เวลาฟังหลงพ่อเนี่ยมันหนีไปทางไหนได้บ้างเอเ้ยแม่เก่งนี่ยเรียนแป๊เดียวหรือว่าไปฟังเฉลยข้อสอบมาก่อน ฟังมาก่อนเมด้วยตาวเด้อขยูงไปมันนี้อยู่อย่างเงี้ยเลยถ้าอย่งงั้นง่ายๆเห็นแม่บอกแล้วว่าคนไม่เคยฝึกจะเจอไง่ายตาวไปที่เป็นพวกของคนเคยฝึกฝึกที่ไหนบ้างฝึกอย่างไง สติเนี่ยนะพยายามกำหนดไม่ได้นะนะหน่ะพยายามกำหนดทีเป็นสติปลอมสติจริงเนี่ยมันอย่างเห็นชัดว่าเราเผลอๆ อ, อยู่ใจลอยอยู่นะแล้วเราเกิดรู้ทันขึ้นมนการรู้ทันขึ้นมาในขณะนั้นนะ่ะมีสติขึ้นมาสติเป็สร้างขึ้นมาเป็สติปลอมปลอเช่นที่โยทำรรเนี่ยมีสติปลอมปลอมใส่เสื้อปลาแมวหรือ แดงกระทองแดงใจลอยแล้วรู้ไหมหัด อ, อย่างนี้หัดตื่นหัดตื่นขึ้นม า, ารู้สึกตัวไปดีลักษณะดีลักษณะอย่านั่งฟันอย่านั่งใจลอยลอเอาหกเป็นนั่งำกำหนดอะไรไม่เคยทำกันบ้านล้วกจ้ พยายัมตอนใกล้จะมาวัดนี้เรื่องเกรงนะแม้ตรงทีกเกรงเนี่ยของปลอมถ้าเราฝึกของเราทุกวันนะจะไม่เกรงเป็นธรรมชาติธรรมตาไงนักเพ่งรู้ไหมน่กเพ่ง แบบไปอย้าง น, นัง้นชื่ออะไอยู่ะ้องอย่าันรู้สึกไมสบายนุ่มเด็กแล้วรู้ไหมใช่ใช่ไม่ดีเลยเคิ่งมันทำมาให้เหนื่อย กิเลสเกิดก็รู้มั้ยจิตใจสบายก็รู้ว่าสบายทุกก็รู้ว่าทุกๆไปเรื่อยๆไม่เห็นจะต้องกิ้งเลยจห็นไหว่าอยากแมาเพาอยากปฏิบัติก็นั่งกิ้งเนี่ยหลวงพ่อชอบมากเลยพวกที่ไม่เคยเรียนนะเรียนง่ายแต่ขี้เกียจ น, นะพวกที่ไม่เคยเรียนนะโตป่านนี้ยังไม่เคยเรียนเองไม่ค่อยสนใจ อย่างดูไว้นะมีประโยชน์เยอะเลยชีวิตข้างหน้านะยังอยู่ยาวๆเนี่ยไม่รู้ความทุกข์จนมาเมื่อไร่เราฝึกจิตใจเข้เราไว้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจเราก็ยังเป็นกลางสบายฝึกจิตใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเาความสุขนะฝึกเพื่อจะเอาความสุ ข, นะสขได้ความสุขมาเพื่มีความสุขตามมาแน่นอนก็อะไรมนะีย ความสุขไม่เที่ยงความสุขต้องหายไปความสุขหายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าความสุขไม่มีตัวจริงหรอกช่วงไหนสุขทุกน้อยๆเราก็เรียกว่าสุขเรามุ่งเอาความสุขก็คือมุ่งเราทุกน้อยๆมีความสุขเป้นมาแล้วความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขหายไปแล้วทุกเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราฝึกมากๆมีสติรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ลงไปในความคิดบ่อยๆเนี่ย มีความสุขนะเราก็จะรู้ว่าสุขจิตใจเราก็เป็นกลางต่อความสุขสบายอยู่นะมีความทุกขนะ์รู้ว่าทุกข์ใจก็เป็นกลางต่อความทุกข์ก็ยางสบายอยู่อีกโลกข้างนอกมันทบแต่เคลื่อน เ, เราใหน้อยลงน้อยลง <c oughs> แต่ถ้าเราเผลนะเราต้ยิ่งเข้าไปอยู่ในโลกนั่นแนหะเป็นไงเผลอสนุกไหม ตัวมันก็เริ่มคิดใหนะ้คิดกับรู้เนี่ยเป็นสิ่งตรงข้ามกันคิดยังไงก็ไม่รู้แต่พอรู้เนี่ยความคิดก็หายไปความคิดหายไปกิเลสจะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดตามหลังความคิดมาเล่นจีเปลอยนะอย่างสูงวองเราอยา่างเราตลวงพ่อยกตัวอย่างบ่อยๆคนที่มาที่นี่ขับรถมาอย่างนี้ย่ยเห็นเขาปาดหน้าถูกปาด ถ้ายังไม่คิดยังไม่โกรวหรอกต้องคิดก่อนใช่ไหมเอ๊อย่างนี้ดูถูกกันนี่อะไรเงี้ยต้องคิดอย่างนี้ทําไม่ถูกนี่เนี่ยต้องคิดแล้ค่อยโกรธแต่ถ้าเราเห็นเขาปาดหน้าเรารู้สึกตัวรู้ทันไม่คิดอะไรมากไม่หลงไปไม่กลัวหรอกเราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกตัวเลยไม่มีกิเลสจะให้ละหรอกเพราะกิเลสม่เล่นตีปลื้มเลยใรลอยไปแล้วนะ ให้สาราลงชินนานนรือยังบางปีให้เจอหลวพอไหมเรอ่ยดูออกไหมไเป็นไม่เรียนเตเเแล้วรู้เป็นความเติมไมได้เพราะมันยังไม่เติอนี่มันเติแล้วค่ดูเอา รู้ไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะชั้นสูงที่เห็นว่าเผลอเนี่ยบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ใจจะเผลอมันก็เผลอการที่เราจะรู้ทันว่าเผลอเนี่ยก็ไปจงใจทําขึ้นมาไม่ได้ตรงที่เผลอเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลตรงที่รู้ตัวเนี่ยจิตเป็นผู้ศรัทผู้ศรก็ทําเอาไม่ได้อกุศลก็ทําเอาไม่ได้จิตพวกนี้ เกิดขึ้นมาแล้วบังคับมันให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ใจสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ล่้สงสัยที่หันรู้อย่างนี้นะสนุกกับเราไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมหรอกนะเราให้คอยดูไปอะไรเกิดแปลกลอมเข้ามาในใจเราเหมือนนื่องเกื่อกี้เป็นความสงสัยโต่มารู้ทันมันหันรู้ไปเรื่อยๆเจ็ดวันเจ็ดเดือนลองหันดู เจ็ดเดือ น, นแล้วก็ยังแย่อย่างเก่านะก็เลิกไปเลยก็ได้ไม่ว่าหรอกมาท้ากันนะเออรับสำทาแล้วเนี่ยแล้วนี่แหละเจ็ดปีสี่ปีแล้วเ น, นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหนื่อยยากไหมเนะ็ะเหนื่อยที่บัต ท, ทำามไรมันเนื้อให้เหนื่อย เมื่อวานมีคนหนึ่งมาบอกว่าไม่ปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติเนี่ยมีความทุกข์เยอะไม่ปฏิบัติไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยอยู่บนโลกสบายดีทำไมโยต้องปฏิบัติเออมันต้องทําอะไรสักอย่างนั่นแหละพี่ผิดแหละทํะาไมเราต้องทําอ่ะอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทาอยากใช่ไหมอยากปฏิบัติเนี่ย อยากทำไมอยากคุนพนูทำไมต้องอยากอีกตอบไม่ถูกนะแล้วเรือรู้สึกว่าจิตใจสวงลึกเนี่ยมันเรียกร้ององนันนันเขาเรียกว่าบ า, ามีมันมีบารามีแล้วอยา ก, กปฏิบัติแล้วอจะลงมือปฏิบัติก็ต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่สุดโตง่งคนละฝั่งเดินบนทางยงกลมนะเดินบังคับตัวเองเดินไปตากซอยนี่เดินใจลอยไปเลยตรงนี้ทําไงเดินทุ๊กที่เหมือนเหมือนกันเดินรู้สึกตัวไปตามสบายมันจะไม่สุดโต่งไปสองตัง่งสุดโต่งอนหนึ่งกดข่มค่มใจค่มที่อยู่กินตัวบังคับเป็นลำบาก อีกแบบหนึ่งพอพอเริ่มบังคับกุญหนีไปเลยเห็นไห ม, มทําอีกแล้วใช่ไหมแกปฏิบัติเรารู้เอาไม่ทําเอาอต้องรู้เอาอย่าไปทําเอาปล่อยให้ใจมันทํำไปเราไม่ต้องทําเราเป็นคนดู้เห็นไหมใจมันวอกแวกวอกแวกปล่อยให้มันพอกแวกไปก็แล้วเราจะคอยรู้ทันมัน เรจะเป็นคนดูเฉยๆไม่ใช่นั่งคิดหรอกนะคิดแล้วใจลอยทําอะไรอยู่อะไรนะผมไม่ได้ถามเรื่องทงา น, น <c oughs> ในจิตใจเนี่ยจิตใจหนีไปทําอะไรอยู่รู้ไหม อ, อย่างตอนเนี้มันหนีไปคิดรู้ไหมรู้ทันมันนะ หลวงู่เทศสอนบอกว่าผู้ใดเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารมีแก่นสารของการปฏิบัติยังเข้ามาดูไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองยังไม่ได้แก่นได้แต่เปลือกเปลือกแล้วก็ไปติดรูปแบบมันโยจิตมีพฤติกรรมอะไรรู้เปล่าไม่กระโจนลงไปทำไม มันนั่งมากเพื่อนเลย <c oughs> ไปลอยติดแล้วการปฏิบัติไม่ได้ทำอย่างนั้นกนักกานที่เราไปนั่ต้องนั่งดูนะส <c oughs> ังเกตเนี่ยสังเกตไม่แค่ในใจเราเนี่ย ม, มีจอรสัมผัอยู่จอย แล้วเราไปนั่งดูตัวรัชตรงนั้นอนะันนี้ยังดูออกจิตจิตยังส่งออกนะให้เรารู้ทันว่าจิตเรากำลังส่งออกนย่อย่างตอนนี้ส่งไปคิดรู้ไหมอแอ บ, บไปคิดรู้ทันื่อแอ บ, บไปคิดมันแอ บ, บไปทำอะไรคอยรู้ทันมันไปไม่ห้ามมันหรอกอย่าห้ามนะมันแอ บ, บไปทำอะไรคอยรู้ทันไป ไปดูอีกแล้วรู้ไหมหลวงพ่อบบอกแล้วรู้ไหมสรงปพ่อ บ, บอกแล้วเพียงรู้นี่นะ้ําอาการไม่หนักอถ้าบอกแล้วยังไม่รู้เลยนะโอ้หลอนยากแหละลำบากนายโยเมื่อไหร่โยจะเลิกทอเหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังจะเลิกไม่เลิอกอีกเหรอ ทำไม่ได้ตอบโยหลายคนแนละ้วโยํามว่าจะทำยังไงทำไม่ได้หรอกให้รู้เอาเวิร์บตัวเดียวในการปฏิบัตินะคือรู้นะให้รู้เอาจิตใจเป็นไงรู้ไปเลยจ้องอีกแล้วรู้ไหมไม่มีเวิร์บอีกตัวหนะึ่งคือจ้อง ตัวนี้แล้วหากวอะไม่ไม่ใช่รู้หาก็รู้ไม่เหมือนกันเป็นกริยาอันเดียวเลยที่เราจะใช้นั่คือรู้ไม่ใช่กวนไม่ใช่หาไม่ใช่คิดไม่ใช่เพ่งให่ใหญ่ลอยใหลอยไม่ใช่รู้นะ สนุกไหมถ้าหลับลงไปอีกแล้วเดวให้ไปเียกัแบหาไปพูเดียวกันนเ <c oughs> มันจ้องจ้องมากๆเลยจมลงไปเลยหัวมันจ้องอะไรอยู่ดิบฝังสลิงอ่าจ้องจ้องเลยตกน้ำไปเลยตกลงไปแล้วยังไม่รู้ว่าลงน้ำไปแล้วนะลงไปแช่อยู่ในน้ําล้วยังจ้องอยู่ จ้องไม่เลิกแช่ไปจ้องไปนะอยู่แล้ถลัมลงไปแช่แล้วไปนั่งจ้องอเห็นเกินดาบเห็นจิเลศไม่เห็นตัวเองเท่านั้นแหละว่ากำลังตกน้ำตรงง่ายยากอะไรอ่ะเพราะว่าเราอยากเห็นสักยะทติจีรู้งแม่สักยญาตจีรุ่งคืออะไร คืทิฐิคือความเห็นนะ่ยส่วนเราปฏิบัติเนี่ยเราเอาความเห็นมาปฏิบัติเท่านั้นเลยแทนที่เราจะรู้ทันการรู้ความจริงกับความเห็นนะั่นละอันกันความจริงรู้ได้ด้วยการรู้เอาความเห็นมันเกิดจากความคิดเอาพอลงมือปฏิบัติเราจะปฏิบัติไหนดูซิกิเลสอยูต่ตรงไหนเราจะจัดการมันให้ตายเลยไอเราที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเบอร์เลย นะเรามองไม่เห็นมันถ้ารู้ไม่ใช่คิดสิศักยญาติทิฐิเกิดไม่ได้นักศักยญาติทิฏฐิชื่อมันก็บอกว่ามันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็น่ว า, าวก็เป็นสัมมาทิฏฐินะมันมีทิฏฐิสองตัวเสัมมาทิฏฐิกับมิชาทิฐิ แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นเราเนี่ยก็เป็นวิชาจิจจิตแต่ว่าการเห็นเนี่ยต้องเห็นจริงๆนะต้องรู้เอาจริงๆไม่ใช่คิดเอานะอย่างโยอจะไปนั่งคิดว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยถ้าใครมันชคเอาดีโชคขื่นแต่โยต้องมีความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกไปแล้วก็รู้ลงไปอย่างนั่งอยู่เนี่ยรู้ไมว่ากายมันนั่งอยู่เห็นไหมเป็นรูปมันนั่งไหม อลองแยกขันดูเลยนะแยกตามไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆรูไหมว่าร่างกายถูกรู้<ม>ร่างกายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหันแยกดูอ<ม>ย่าไปคิดสก็สิ<ม>ดูลงไปร่างกายนี้ถูกดูหรู้ไหมสบายๆอย่าอย่า ด, ดูแรง รู้สึกตัวทั่วๆสบายๆนะเนีย่ยเห็นร่างกายกับริบตารู้ไหมนะเอารูขาตากรอกไปกรอกมาหน้าพิยักหน้านะเนีย่ยเห็นรูปเป็นเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆดูออกไหมว่ากายไม่ใช่จิตนะกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวก็ได้ดูออกไม่ว่ากายกับจิตนป็คนละอัน แล้วโยดูออกไหมว่าความเมื่อยไม่ขาแก่กายเนี้ยคนละอันกันดูออกไหมดูออกไหยต้องดูออกนะความเมื่อยไม่ใช่จิตดูออกไหมความเมื่อยมันถูกรู้ใช่ไหมไม่ใช่จิตความจําได้ว่าเนี่ยเป็นความเมื่อยมันเป็นตัวเดียวกับร่างกายมาั้งต้องดูออกนะดูสภาวะอย่าคิดเอา มันเป็นตัวเดียวกับความเมื่อยไหมความจำมันดูยากเอาโยานจริงไม่เกิดความหยักพูด่เกิดแล้วรู้ไหมอินโคลานกันจิตแล้วเนี่ยสังขารขันนะโยนต้องหัดแยกขันไปเรื่อยๆนะถ้าอยากจะทําอะไรให้มันยุ่งยากอ่ะก็นั่งแยกขันเอ า, ยาอะยากกว่ารู้เลยเพรต้องทำแต่บางคนให้รู้เฉยๆไม่ได้กุ้มใจ ต้องมีงานทำให้ยากๆหน่อยเอาอยากยากก็เอาให้ยา ก, กวันนี้ก็ได้นะ่เดียวครับ เ, เอาเรียงตามลําดับโยสังเกตไหมว่าความรู้สึกนึกคิดถูกรู้รู้ไปเรนะื่อยๆนะตาเป็นนี้ก็คอยสังเกตไปขันแต่ละขันเนี่ยไม่คงที่ดูออกไหมร่างกายไม่คงที่ดูไนไงนะว่ามันขึ้นไหวไปได้ นั่งเฉยๆไม่กะดุกระดิกมันก็ยังหายใจนะธาตุที่มาประกอบเป็นกาย ก, ายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูสิกายเป็นตัวเราไหมบังคับได้ไหมบังคับให้ธาตุมันหยุดนิ่ง ไ, ไ, ได้หมไม่ความเมื่อยคงที่ไม่หลุดดีกรีของมันออกกยับก็เบาลงนี่ก็แสดงความไม่เที่ยงใจรักเหมือนกัน ในที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัตรีสอนอย่างนี้สอนให้ดูขันห้าก่อนแล้วดูกระจิรขันเลยรูปเป็นไงรูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูซนะิรูปคงที่อยู่ได้ตนอยู่ได้จริงไหมรูปเป็นตัวเราบังคับได้จริงไหมนะนั่งดูของจริงๆประกอบไปด้วนยะความสุขความทุกขนะนะ์รู้ตัวสภาวะไหมความเมื่อยเกิดขึ้นรู้ทัน ความเมงิไม่คงที่อยคิดมากสก็อยากอยากจะทํายากๆมันต้องอย่างนั้นนะ่ะไหมผมบอกให้รู้เอานะไม่ได้แบบเพง่งอผมบอกองั้นแยกธาตุแยกขันไปเลยทั้งมันต้องไปเพ่งดูอะไม่ได้เลยเพ่งอีกแล้วเอาอลไก็เอาทุก อ, อย่างจะเอาสมถะนิดยาดิบเงาวิปัสสนายาดทําสมถะยานีบกเ็ษษมมมมเพ่งลงไปรู้ลงไป แยกมันลงเป็นทีละส่วนทีละส่ว น, นค่อยๆเรียนรู้มันไปในนี้ขันในหยุดนิ่งม้างแล้วโยอยู่ตรงไหนในขันห้างนียโยอยู่ตรงไหนลองดูสิ ลองนั่งดูไปโยมมัน อ, อยู่ห น, นังไหนแตโยมมีอะไรก็ได้โ<ม>ยมใหญ่ๆใหย่กเข้ามามีระยหาห่างก็รู้ว่ามีระ ย, ยาห่างโยมใหญ่ๆเข้ามา ให้ความอยากเกิดขึ้นเกขึก้นมีสมุทไทย ไปทำเแต่ว่าที่ทำอยู่ก็ใช่ได้นะจิตใจมันก็ตื่นขึ้นมาหเห็นมิตรของเราหมดเลยเออเออขณไหานดูไปอย่างนั้นก็ได้เห็นตัวเราขึ้นมาสักคนหนึ่งก็ยังดีก็มันยังรู้สึกว่าเป็นเราก็านั่งดูมันไปเรืร่อย มันไม่จง แ, แยกไปแยกของมันเองนะมันปิ้งเลยมันเ บ, บิกบานโอ้ตอนอะไร น, นะเออเออไม่เป็นไรนะมันเป็นยังไงก็ได้แต่ให้รู้ไปอย่างที่มันเป็นเด็กหัดใหม่อะ่ะเวลาเจออะไรมันก็วู่วายธรรมดานะ อย่างกระทั่งกีตีอ่ะหรือแวงจิตรวมนะสมาธิ่นั่งนั่งจิตรวมถ้ามือใหม่แนะ้วรวมโทุกคลามรวมแบบลดนตกเหววูกเลยนะถ้ามือเก่าก็าาลงนิ่มๆเวลารู้ตัวมือใหม่รู้ตัวนะักสว่างว อ, อกเลยนะเบยิกบานคึกคักมือเก่าๆมัาธรรมดา เหมือนแต่งงานหลายๆปีไม่รู้บ้ามีมีมันตัวมันเองเนะี่ยเกิดดับสภาวะแห่งการรู้ <c oughs> เกิดแล้วก็ดับอยู่ก็เปลือ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงที่รู้เนี่ยยังเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้นะ แต่ท่านจิตที่รู้ก็ยังเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นของเกิดดับนะครับเข้าใจความจริงตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยจิตจะปล่อยวางนะแล้วพายไปเห็นนิพพานนางปรามังสุญยังนิพพานนางปรามังสุขขังเนียนะยังเอารู้จับรู้อยู่เนี่ยไม่เจอนิพพานนะหลวปูล่าที่ปู่เจ้าก็อสอนี่ดีนิพพานไม่ใช่ผู้รู้ นะภาคผู้รู้พ้นไปพ้นจากผู้รู้ไปจนไม่มีการกำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอมอนเหมือ น, มอนไม่ใช่ของจริงพอมอนเหมือนนั้นน่ะพอเหมือนนิทานคือดูโล่งๆว่างๆไม่ใช่ของจริงตอนนี้บอยสังเกตเลแค่นี้ก็พอแล้วรู้กับเผลอรู้กับเผลอไปนะตอนรู้ขึ้นมามันก็อยู่ได้ชั่วคราวก็ดับเดี๋ยวก็เผลอเผลออยู่ได้ชั่วคราวก็ดับไปรู้ตัวขึ้นมา เข้ารู้อยู่ตรงนี้ยเห็นมันเกิดดับทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดดับไปงนะี้นวันนึ่งใจมันก็อ ย, ยอมรับความจริงค่อยพัฒนาของมันเองแต่สังเกตไหมตอนที่รู้เนี่ยมันเป็นเรารู้อยู่เออมันเรารู้ทํายังไงอยากละไหมยอยากละเรารู้ไหย <c oughs> นั้นถ้าอยากละก็ไปรู้ความอยากนั้นลนะละความอยากซะก่อน ทำได้ดีขึ้นเยอะเลยนะฝึกไปตอนนี้ไม่ดีแล้วตอนนี้หลง <c oughs> นี่ก็ไม่เก่งแล้วนะเก่งน้อยลงไปเยอะเลย่าเหลือคนนี้แหละว่าวันนี้ก็เหิดลบขึ้นเขา สิ่งเนี้ฉันสอนลูกศิษย์สอนสามคกั้งก็ถอนใจเเลอ่ายากกว่าเด็นไปขึ้นเขาอีกเด่นโคร่บโคร่ยังไม่สู้มันง่ายโย่แโยทาซะยากถ้าโยแค่คอยรู้พื้สศิกรรมของจิต มันวิ่งไปรู้อารมณ์ทางตาก็รู้ทันวิ่งไปรู้อารมณ์ทางหูก็รู้ทันวิ่งไปรู้อารมณ์ทางใจก็รู้ทันเนี่ยโยเล่นอยู่แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งเพ่งนั่งโน้นนี่นะเพราะงั้นอย่างอย่าไปเดินจงกรมเดินชอปปิ้งเดินอะไรก็รู้ไปจิตเหลอไปดูสาวก็รู้ว่าไปลนะ ยังโยเราก็พิสตาดีดูทีจิตไปวไม้มลองก็พิบตาลองก็พิสไลๆทีกันเออมันจะไหวไม่แรงแต่ไหวเวลามีผัสสะในการกระทบจิตมันก็กระเทือน นี้มันจะกระทบแล้วก็เถินก็ชั่งมันมีหน้าที่รู้ลูกเดียวไงมันหนีไปช่างไหนตอนนี้รู้ไหมตัวการปฏิบัติที่ถูกเนี่ยนะคือตรงที่รู้ทันนะรู้ทันว่ามันไปทางความคิดนะรู้ทันว่าไปทางหูรู้ทนันว่าไปทางาตาตังปฏิบัติที่ถูกก็คือตัวรู้ทัน ไม่ใช่ว่าไปนั่งทำอะไรต่ออะไรเราปฏิบัติก็ไม่ใช่เพื่อให้มีความสุขนะแต่ปฏิบัติจนมันปล่อยวางไม่ใช่ปฏิบัติเอาความสุขแต่ปล่อยวางแล้วมันไปพบความสุขอีกชนิดหนึ่งมันไม่ใช่ร่างกายเป็นหวัดเป็นไข้ตัวมันแยกกันทําไมมันยังไม่หายไข้คนละเรื่องกันนีก บ่อยจะให้อะไรสุกอนะ่ะให้กายสุกหรือให้ใจสุกเพื่อเป็นเป็นไข้เราไปดูมันแล้วมันแยกออกมาแล้วไม่เห็นสุกนะอือเออไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้มันแข็งชื่อแล้วกันมันเป็นไงรูไ้ไป แต่เป็นกลางแล้วถ้าบอยรักษานะบอยพยายามรักษาให้แยกอย่างเนี้ยนะมันจะทื่อๆนะผิดอย่าไปรักษามันพยายามรักษาหรือเปล่าล่ะตอนมันแยกอ่ะ <c oughs> มินตรานเดี๋ยวนี้ขานเนื้อมันยังไงก็ทุกจิตก็ไปขันดวงหนึ่งนะ ตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์อันนึงอยให้มันสุขอะไรล่ะเออเออมันก็ชีักณะทำให้บ่อยๆแต่ว่าอย่าไปดึงมันออกมานะอย่าจงใจดึงให้มันแยกกันถ้ารู้ทันแล้วมันแยกของมันเองถ้ามันรวมเข้าไปก็อย่าไปรุ่มใจรวมกันกับแยกกันนะให้มันเท่าเทียมกัน คือให้เราสักษาร่รู้ไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่ชอบอันหนึ่งเกลียดอันอื่นชอบที่จะรู้สึกตัวเกลียดที่จะเผลอชอบที่จะแยกออกมาเกลียดที่จะเข้าไปรวมกันชอบที่จะเข้าไปอยู่ข้างในเกลียดที่จะหลงออกไปข้างนอกชอบธรรมะที่ละเอียดละเอียดเกลียดธรรมะที่หยาบยาบชอบสุขเกลียดทุกชอบดีเกลียดชั่ว ใครดูไปสิมันมีอาคติตลอดอ่ะแมจะเอาวันหนึ่งไม่เอาวันหนึ่งเอ่ยไม่เป็นกลาอมันดูตลกดีตรงนั้นนะเออเอออยากหรือไม่อยากก็ไม่ได้ นะเพราะว่าไม่เป็นไปตามอย่างนะเขาแสดงกรรมาให้เราดูแล้วนะเขาแสดงอนัตตาให้ดนะูเอาจิตแยกออกมาก็าอยู่ได้ไม่นานนะเขาไหลไปรวมกันโว้ยหลวงพ่อตอนหันใหม่ๆแทบตายหลงปูดูบอกให้ดูจิตดูไปดูมามันแยกกูหมดแยกได้แว บ, บเดี๋ยวเขาไปรวมอีกนะแมนะ่ต่อสู้ดึงเมาทิตศเลยไปจรูดออกมาอีกหน่อยเดี๋ยวก็รวมอีกฝนะึกรู้ไปรู้ไปอ๋อเรากลัวก็จะรวมนะั้นเลยยิ่งโหเร็ว เพราะมีความอยากเกิดขึ้นเราไปยึดถือถ้าฝึกไปนานๆนะมันไม่ยอมรวมเลยมันไม่ยอมข้าไปรวมอีกแล้วอตอนนี้เราถือว่ามันไม่รวมเองไว้ก่อนหมายความว่าบังคับมันไม่ได้ความจริงทุกอย่างมีเหตุเท่านั้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนนะ เหตุดับมันดับเป็นไปนตามเหตุของมันายทำอะไรอืมว่างรู้ว่างวง่วงนะข้าวเราต้องง่วงต้องไง <c oughs> เคยมาไหม เราไปดูอยู่รู้ไหมมันก้องอยู่ข้างนอกมองควานไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆไปรู้ให้ทันมันรู้ทันพฤติกรรมของใจหนูอย่าไปอยากให้มันแยกกันนะมันแยกกันเองแหละค่อยฝึกไปถ้าใจเข้าไปยึดถือก็ไปเกาะไปรนวมกันถ้าไม่ไม่เข้าไปยึดถือมันก็ไม่เข้าไปรนวงกัน ส่วนบ่อยตอนแยกแล้วมันจะพิ้งไม่พิ้งเรื่องมันเราไม่ปฏิบัติออกพิ้งเนาะอืม <c oughs> อนนั้นนี่ตอนขณนะนี้ไม่รู้แล้วกำลังสงสัยอยู่ว่ารู้หรือไม่รู้ <c oughs> นะเออก็รู้ทันไอง เรห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาตรงนี้น ะ, ะัะถ้าความสงสัยเกิดที่เราคิดใหญ่เลยนั้นหลงผิดใหญ่เลยก่เลสมันจะพาให้คิดลูกเดียวได้เสลอไหมขหยับเซงเงินเหลือไปแล้ว เลี้ยงเพลงอนะีกแล้วไอ้ลงเป็นเจ้าเลยต้องไงคขุนบ้านยังดีนะเรียนเช้าเช่าง่วงน้อยหน่อยถ้ <c ười> าภบายม่วงหนะัก